เหมือนทางไปของนกในอากาศพระพุทธภาษิตเยสั่งสั้นนิจโยนาทิเยปริญญาตโพชนาสุนยโตอันนี้มิโตวจวิโมโคเยสะโคเจเรอากาเซวะสะกุลตานังคติเตสั่งลุรุนวยาก ว, ว่างว่าท่านผู้ใดไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้โพชนะดีแล้วมีสุนยะตะวิโมก และอันนี้มิตาวิมกเป็นโคจรคือทางดำเนินคติคือทางไปของท่านผู้นัน้นอ่านบุคคลอื่นตามได้ยากเหมือนทางไปของนกในอากาศฉะนั้นอธิบายความการสั่งสมนั้นมีสองอย่างคือการสั่งสมกรรมกรรมะสันนิจิจยโยหนึ่งการสั่งสมปัจจัยปัจจยะสันนิจยโยหนึ่ง การสั่งสมกูรุศลกรรมและอกูรุศลกรรมเรียกว่าการสั่งสมกรรมบุคคลสั่งสมกรรมชั่วไว้มากย่อมได้รับผลเป็นทุกข์ผู้สั่งสมกรรมดีไว้มากย่อมได้รับผลเป็นสุขเป็นความชื่นใจโภชนะคืออาหารที่บริโภคการกำหนดรู้โภชนะนั้นด้วยปริญญาสามคือยาตะปริญญาตีรณปริญญาและปหานะปริญญายาตะปริญญานั้นคือกำหนดรู้ว่า อะไรเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนี้คืออาหารนี่คือรูปเป็นการทำความรู้ไว้ในเบื้องต้นก่อนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เราแล้วณบัดนี้เบื้องแรกให้รู้จากสิ่งนั้นโดยแจมแจ้งก่อนตีระณะประิญญานั้นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุและผลของสิ่งนั้นๆเช่นพิจารณาเห็นอาหารโดยเป็นของปฏิกูลทั้งในขณะบริโภคอยู่ในปากในท้อง และกากอาหารที่ถ่ายออกมาเป็นอุจระยิ่งปฏิกูลอย่างยิ่งปหาณะปริญญาหมายถึงการกาหนดรู้ด้วยการละเสียคือเมื่อได้เห็นความปฏิกูลต่างๆด้วยตีรณะปริญญาแล้วก็ถอนความกำนัดพอใจในอาหารละความเพลินในอาหารบริโภคเพียงสักแต่ว่าบริโภคให้ชีวิตดาเนินไปได้เหมือนให้น้ํามันแก่รถให้น้ำมันยอดเครื่องแกเครื่องยนต์ เพื่อให้มันทำงานได้ต่อไปอาการนี้เรียกว่าปหานะปริญญากล่าวถึงวิโมกท่านแสดงไว้สามอย่างคือสุญญาตาวิโมกหนึ่งอันนี้มิตะวิโมกหนึ่งอปณ น, นิหิตตวิโมกหนึ่งแปลว่าหลุดพ้นโดยความว่างหลุดพ้นโดยไม่มีเครื่องหมายหลุดพ้นโดยตั้งอยู่ไม่ได้ตามลำดับวิโมกทั้งสามนี้เป็นชื่อหรือไวโพธของพระนิพพานทั้งสิน้น เป็นใจชื่อต่างออกไปเหมือนคนคนเดียวทําหน้าที่หลายอย่างเรียกชื่อตามตําแหน่งที่ทําต่างออกไปอันหนึ่งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระนามอันเป็นไวโพธหลายประการเช่นพระตถาคตพระผู้มีพระภาค พ, พระพุทธะพระศสากยมุนีเป็นต้นเพระนิพพานท่านเรียกว่าสุญญตาวิโมกเพราะศูนย์จากราคะโทสะและโมหะท่านเรียกว่า อันนี้มิตะวิโมกเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะเป็นเครื่องหมายท่านเรียกว่าอปปนิหิตตะวิโมกเพราะราคะโทสะและโมหะตั้งอยู่ไม่ได้คติคือทางไปของท่านผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้อาหารด้วยปริญญาสามและมีวิโมกสามดังกล่าวแล้วเป็นคติที่ตามได้ยากเหมือนการไปของนกในอากาศหารอยเท้าไม่ได้ พระพุทธภาสิทธินี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเชเทวันเมืองสาวัตถีทรงปรารพพระเพรทัสศีสะเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระเถระรูปนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งได้เห็นว่าการออกแสวงหาอาหารบินทบาททุกวันเป็นความลำบากจึงเที่ยวบินทบาทข้าวตากนำมาเก็บไว้ในที่อยู่ของท่านด้วยจังใจว่า เมื่อร่างกายต้องการอาหารก็จะฉันข้าวตากนั้นและท่านก็ได้ทำเช่นนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการเข้าฌานสมาบัติภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนั้นแล้วติเตียนท่านว่าเป็นผู้สั่งสมอาหารไว้ฉันไม่ควรแก่สมณะพระศ า, ศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุสั่งสมอาหารไว้ฉันแต่ไม่ได้ทรงตำหนิพระเพรทัศศีสังประกาศว่าพระเพรทัศศีสัไม่มีโทษเพราะการเก็บอาหารของท่าน เป็นเจตนาด้วยแห่งความมักน้อยสันโดษพระาศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าเยสังสันิจโยโหนัติเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นตามเรื่องนี้จะเห็นว่าเจตนามีความสำคัญในการกระทำเพียงใดการกระทำอย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจถูกตำหนิเพราะมีเจตนาชั่วแต่อีกคนหนึ่งไม่ถูกตาหนิเพราะมีเจตนาดี มีนักปรัชญาและนักจริยศาสตร์หลายท่านมีความเห็นว่าเราจะลงความเห็นการกระทำของคนว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็สุดแล้วแต่เจตนาของเขามัวย้ำว่าเจตนาดีกูดวิลนั่นเองคือตัวความดีพวกนักปรัชญาสายอิตาเลนไอเดลิซึมมีความเห็นว่าเจตนาทุกอย่าง เป็นการกระทำและการกระทำทุกอย่างเป็นเจตนารวมความว่าการกระทำและเจตนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงอยู่คนบางคนอาจทําผิดด้วยเจตนาดีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงกันแต่คนทั้งหลายก็มักให้อภัยในความผิดเช่นนั้น